สมาธิทุกขั้นตอนใช้เป็นบาทฐานในการเข้าวิมุตต์ได้ทั้งหมดพิขุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างเพราะอาศัยทุติยฌานบ้างเพราะอาศัยตติยฌานบ้างเพราะอาศัยจตุตฌานบ้างเพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบ้างเพราะอาศัยวิญญาณัญจาตนะบ้าง เพราะอาศัยอากินจัญญายตนะบ้างเพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะบ้างเพราะอาศัยสัญญาเวทยิตตนิโรธบ้างพิกุทั้งหลายคำที่เรากล่าวแล้วว่าพิกุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าภิกุทังหลายในกรณีนี้ภิกุสงัดจากกาม สงัดจากอากุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ในปฐมฌานนั้นมีธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศร เป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นดังผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนเธอดำรงจิตด้วยทมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกำหนดว่านั่นสงบระงับนั่นประณีดนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในวิปัสสนาญาณมีปฐมฌานเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพพานในภพนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ มีในเบื้องต่ำห้าประการและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นๆ น, น, นั่นเองพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กับรูปหุ่นคนที่ทำด้วยหญ้าบ้างกับรูปหุ่นดินบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้พิขุทั้งหลาย ชันใดก็ชันนั้นที่พิกุสงัดจากกา ร, รสงัดจากอากุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลวอยู่ดังนี้พิกุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่าพิกุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว พิกุททั้งหลายคำที่เรากล่าวแล้วว่าพิกุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยทุติยชานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าพิกุทั้งหลายในกรณีนี้พิกุเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุทุติยชานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในสมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้น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 ที่พิกขุเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในสมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลวอยู่ดังนี้ภิขุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่าภิขุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะ เพราะอาศัยทุติยชาญบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วภิกุทั้งหลายคําที่เรากล่าวแล้วว่าภิกุทังหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยตติยชาญบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าภิกุทังหลายในกรณีนี้เพราะความจางไปแห่งปีติจึงอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะ และย่อมเสวยสุขด้วยกายจึงบรรลุตติยฌานอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขในตติยฌานนั้นมีธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรค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 ทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้พิกุทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะความจางไปแห่งปีติจึงอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะและย่อมเสวยสุขด้วยกายจึงบรรลุตติยฌานอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้พิกุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่า พิกุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยตติยฌานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วพิกุทั้งหลายคำที่เรากล่าวแล้วว่าพิกุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยจตุฌานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าพิกุททั้งหลายในกรณีนี้เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งหลายในการก่อนจึงบรรลุจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่มีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ในจตุตฌานนั้นมีธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์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 ทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้พิขุทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งหลายในการก่อนจึงบรรลุจตุทชาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่มีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ดังนี้พิขุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่า พิคุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยจตุจฉานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วพิกุทั้งหลายคำที่เรากล่าวแล้วว่าพิขุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยอากาศสานัญจายตนะบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าพิขุทั้งหลายในกรณีนี้พิขุ เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะการไม่ทำไว้ในใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานันจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้แล้วแลอยู่ในอากาสานันจายตนะนั้นมีธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ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 นั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปฏิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในวิปัสสนาญาณมีอากาสานันจายตนะเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะ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 สมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้พิขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นที่พิขุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิค้าสัญญาเพราะการไม่ทำไว้ในใจซึ่งนานัตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานัญจาตนะอันมีการทำในใจว่า อากาศไม่มีที่สุดดังนี้แล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่าพิขุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยอากาสานันจายตนะบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วพิขุทั้งหลายคาที่เรากล่าวแล้วว่าพิขุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะ เพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าภิกขุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกขุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะการไม่ทําไว้ในใจซึ่งนานัตสัญญาจึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทําในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สุด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 เธอดำรงอยู่ในวิปัสสนาญาณมีวิญญาณัญจายตนะเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพานในภพนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชนมีในเบื้องต่ำห้าประการและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้น น, น, นั่นเอง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 เพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะการไม่ทําไว้ในใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทําในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้แล้วแลอยู่ภิกุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่าภิกุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะบ้างดังนี้นั้น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 ดังนี้แล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่าพิขุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยอากินจัญญายตนะบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วพิขุทั้งหลายด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แลเป็นอันกล่าวได้ว่าสัญญาสมาบัตมีประมาณเท่าใดอัญญาปฏิเวทคือ การแทงตลอดอรหัตผลก็มีประมาณเท่านั้นพิกุททั้งหลายส่วนว่าอายตนะอีกสองประการกล่าวคือเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตและสัญญาเวทยิตติโรธซึ่งอาศัยสัญญาสมาบัตเหล่านั้นนั้นเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่ชายีพิกุผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัตฉลาดในการออกจากสมาบัต จะพึงเข้าสมาบัติออกจากสมาบัติแล้วกล่าวว่าเป็นอะไรได้เองโดยชอบดังนี้